มันเกิดขึ้นมันเป็นขึ้นเพียงขณะเดียวเท่านั้นมันก็ขาดเรื่อยไปตลอดไปว่าสิงเราเคยสงสยัยเราเคยจิดท่อนั้นมันเป็นอะไรสิงที่มันเกิดขึ้นระยะนี้จะมีอะไรจะเพิ่มเติมจะทำมุมเพิ่ม อ, อีกมันทราง เน่ยมันทราบมันเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่จะละจะบำเทมจะอยู่ไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจตายแต่วันนี้มีความดีใจเสียใจมีความได้อะไรอีกไหมหมดความสงสัยในใจไม่มีอะไรที่จะไปขัดข้อตายในขณะนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหาย ยังไม่ตายก็ไม่มีอะไรที่จะร้าจะถอนอีกทราบเข้าใจทำบริสุทธิ์นั้นมันเหมือนกันหมดไม่ว่าเขาพุทธเจ้ า, จาหรือสาวกไม่ว่าเด็กหรือผูใ้ใหญ่เมื่ออินแล้วมันทาเดี่ยวกันทางนั้นนี่คือควานอินของอัดของทำที่คือประเทศปฏิบัติจะต้องเห็นต้องเป็นในตัวของตัวไม่อย่างนั้นจะต้องมีความสงสัยเรื่อยไป เมื่อยังมีความสงสัยก็ต้องแก้ไขต่องวิธีการน่าในวันใดกว่วันหนึ่งทางหน้มันจะเกิดจะเห็นจะเป็นขึ้นในจิตในใจในมีการสงสัยไม่มีการใต่ถามคนอื่นพอมันเห็นมันเป็นไปจับภาพเกิดในจิตในใจอย่างนั้นมีคือการปฏิบัติเกี่ยวความหลุกถอนเกี่ยวความสุขเกี่ยวความสงบ นับถือสันติพลังศึกขังศุกอื่นยิ่งกว่าความเป็นรความเห็นหย่งไม่มีเพราะศุกอื่นที่เราเคยเห็นเคยเป็นศุกซ้มซ้อมศึกแล้วเกิดทุกศุกแล้วไม่แน่นอนจะศึกวันนี้เป็นทุกวันหน้าดีใจวันนี้จะรียว่านี้เสี่อมไปในวันเสารหน้าหรือเสื่อไปนั่นจะริ่มขึ้น มันเป็นอยู่อย่างนั้นความเป็นของท่านที่บริสุทธิ์คนเมื้อเหล่านี้ไม่มีในความเป็นอย่างนั้นทุกวันทุกเวลาจะเข้าจะออกอย่างไรนั้นมันเป็นอาการของจิตแต่ควาบริสุทธินั้นถ้ามันถึงมันเป็นยืนจังไม่มีการเข้าการออก แ <Ừ. S 2> จะตายโหงตายหาตอนี้มีเวลาที่จะเสี่ยนจะเสียไปตามลมปากเนาะซาโลค่ะเพราะความบริสุทธิ์ทั้งท่านบริสุทธิ์อยู่ตั้งแต่วันรู้จนตลอดวันนิพพานนี่คือความบริสุทธิ์ของการปฏิทินปฏิบัติทุกคนย่อมเห็นยอมเชื่อเมื่อปฏิทินปฏิบัติไปถึงจะในมีชาวสงสัยว่าทําไม จิตจริงเป็นอย่างนี้ไม่มีตารท่องใจเพราะความเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาจากมัจคือศีลสมาธิปัญญาทางลำเนินท้องใจประเภทปฏิบัติม า, าตั้งแต่ต้นเป็นอวสานคือความบริสุทธิ์ท้องใจเป็นอย่างไรนั้นไม่มีการท่องใจจำได้ ไม่ต้องถามคนอื่นใจเวลานั้นไปปฏิบัตปฏิบัติอยู่นั้นเป็นอย่างไรใจเวลานั้นไปปฏิบิปฏิบัติอยู่นั้นมันเสื่อมมันเจริญอย่างไรเข้าใจเพราะเราเองเป็นผู้ใดประบัติปฏิบัติเป็นผู้เห็นผู้แต่ะนตามปฏิบัติจึงเป็นเรืเ่องสำคัญที่พวกเราท่านจะต้องตั้งหน้าตั้งตา ปฏิบัติรักษาไม่มีคนอื่นที่จะมาทำให้อิ่งเร่งทั้งหัวใจทั้งตัวจะ ก, กำหนดอะไรก็กำหนดไปเผื่อความแข็งแรงความเรียลมของใจแหลกทิจงกันมาอะไรมาสัมผัสเกี่ยวข้องทิ้งกัมาไปเผื่อแก่หาย เกิดปัญญาเกิดวิชาวิมุติทําด้วยไปปรฏิทิภัตเรื่อยไปแม้ใดยังไม่ถึงคือสุดวิมุตวิชาทําด้วยไปนี่คือการปฏิบัติกายใจท้องตัวอย่าไปสนใจเร Aww, <S <s <S <s yeah. ื่องอื่นยิ่งกว่าเรื่องการปฏิทิภปฏิบัติต่างหน้าต่างๆเสียสละมาทุกอย่างแม้ผมอยู่ได้บนที่สากลที่ บมานต้องเข่าคล้องแล้วปล่อยตาละเลยมาได้แต่ที่ยวกับปัญหาในใจเราจะต้องทำลายเจ้าไขมันถึงเราปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นมาได้แต่ใจมันก็วกคิดคิดข้ามทำไมมันจึงไปวกคิดคิดข้ามอย่างนั้นมันมาประเัตปฏิบัติโดยมมีใครบังคับบัญชามีศรัทธาเชื่อมั่นในตัว จึงมาประบัตปฏิบัติเมื่อมาถึงแล้วทำไมจึงปล่อยความเวลาให้เป็นเหมือนในต้างหน้าต่างตาจะทำบำเพ็ญเอาจริงเอาจริงให้จิตใจอยู่ในบ้านยังคิดถึงแล้วยังอยากไปปฏิบัติเกิดความติดความสบายท้องใจเมื่อมาถึงวันแล้วทาไมจิตใจจึงบกชิติข้อกับเรื่องของจีปล่อยไปละทิ้งมา จะต้องพิจารณาสอนจิตท้องตัวในอย่างนั้นไม่คํามจำเรื่องท้องจีิยรีดที่นิ้พิจารณารีบนะศึกษารีบปฏิบัติตายก่อให้มันตายไปเถอะตายในการปรฏปริบัติตายในสงคามคนที่ประนึ่งปฏิบัติภาวนาะมันตายไปนับไม่ถ้วคนนัง่งภาวนาะเอากายเอาใจใจบูชาพระรเจ้าใจ ตายไปในออกข่าววิทยุนักข่าวิมมีไหมหายากเสียใจในเป็นข่าว ต, ตา ย, าตา ย, ยเหลือเกินกันหานับไม่ถ้วนของดีมีคุณท่าเราทำไมจใงไม่ยอมเสียสะละเสียแลกเปลี่ยนเอาของดีของวิีส่ว น, นเสียส่วนเสียทำไมจชงเมื่อตายถ่ า, ายชีวิตให้ได้แต่ส่องสอนใจของตัว มาแต่ทำมัม่นเพนมาแต่คิดแต่ตีบต้องเป็นตัวเอาจริงเอาจรงอย่างนั้นถ้าไม่เอาจริงจะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ไปเถอะปล่อยสติปล่อยจัญญาปล่อยจิต ป, ปล่อยใจไหลไปตามสัญญาอารมณ์อยู่อย่างนั้นไม่มีการลักษาไม่มีการหักแห้ไม่มีการพิพจารณาทำแล้วทำมันจะเกิดขึ้นจากที่ไหน ไม่นเกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในตาในดงไม้ในอดอยาจะทําบ้านทําช่องไม่ได้เพราะเราเหยียดพานในต่างหน้าต่างตาตัดเอาไม้มะ ท, มาทําหม่ทํำซอกนี้แต่นั้นจะหักับคอตายแถวนีน้เราดีในที่สงบส ง, ดงัดไม่มีทุระหน้าที่อะไร Ới, ที่จะยืนยงเว้นว่าจะก็ไม่ต่างหน้าต่างตาพิจารณาในต่างหน้าต่างตารักษาจิตท้องตัวจะให้ความสงบจะให้ความทั่วมันหมดไปตกไปมันเจนไปใหนได้แต่นั้นเราจึงควรสอนตัวท้องตัวอยู่ทุกระยะทุกเวลาต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังไม่อย่างนั้น เราจะเป็นโมฆจะเป็นหมันหาอากาักหาธรามไม่ได้เพี <c oughs> ยงแต่ชื่อว่าเป็นนั ก, กปฏิบัติเป็นพระสมถถามแต่ถามที่ตั้งของพระจริงจังไม่มีมีแต่จินตเจที่แต่เพิ่แต่เ พ, เพิ่ต่เลื่นจต่หลงอยู่อย่างนั้นแบบนั้นจะไปอัศจรรยอะไร ใครบวชก็ได้หนึ่งผมผ่าเลืง้งเลี้ยงคนอะไรก็ได้ผมไม่ง่ายจะตายไปพระมาได้อยู่ในเทศจียงเ่านี้พระที่ดีถือพระภุตเจ้าถือว่า้าว่าจะสังโคองภูเก็ตเจ้าเน้นหมายถึงพระที่ปร ะ, ประทินปฏิบัติทำ ล, ลายทำลายวิเวตั้หาออกจากใจใจไม่ได้คิด ยื่งเย็นยิ่งวาใจเลยคิดท่องในโลกในสงสางข์่นจึงคือแบบเป็นพระพระโสดาบันพระราษฎได้สามตัวคือสัายอย่ที่ชีวิตจิาีละพระตประมาทนั่นใน่นได้อะไรชีละออกไปจากใจได้เท่าไรคนนั้นแหละจะมีซ ฝึกความสบายควาเป็นพระขึ้นถ้าสะสมเท่าไหร่คนนั้นก็ไม่มีหวังที่จะเป็นพระเป็นผู้เผยพระวิเศษได้แต่ใจพิชิตคือหลัาใจใจนี้เป็นที่สำคัญไม่ว่าหัตว่าบุคคลยึดมั่น เราหวังของของเรายีดถือเอาจิ้จริงจังๆของสิ่งอื่นจะหมดไปเสียไปของให้ตายังอยู่ก็เพียงพอมีความรกเรื่องของกายคามเย็บเรื่องของกายความถือเรื่องของกาเกี่ของเงินทอง้าไม่ได้ของมีค่ามากมายขนาดไหนถัดตายมันจะล้มจะตายไปก็ยอมเสียล จะให้ร่างกายทั้งตัวยืนยงคงอยู่อยู่มัรักขนาดนี้เยียกว่าสัตยายทิฏฐิคือความชื่อตายว่าตัวชื้อตัวว่าตายเหนือพิจนราในเรื่องธรรมะจะจะละเรื่องท้องใจเยีะยว่าสัตยายทิฏฐิละออกไปจริงจังนั้นท่าำให้พิจารณาเรื่องขาดเรื่องขัน ไฟอันนี้ตะกออพึ้นจากธาตุทั้งสีคือดิน น, บบน้ําลมไฟไม่ว่สัตว์ระเบิดคประกออพึ้นจากธาตุอันเดียวคำอย่างนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้มันมีหน้าที่อย่างไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นเราจะไปยึดมัน่นว่าของของเรามันก่อแก่ก็เท่าก่ยล้มก่อตาเราจะไม่ยึดมัน่นว่าเป็นของของเรานั้น มันก็ไม่ส็ทธิหายไปที่ไหนเมือนมันยังรวมกันอยู่เราก็มีโอกาสเวลาที่จะทาดีทําช่ได้ี่เนนะให้มันถวดถึงเรื่องท้องใจอย่าไปเกิดความยึดความถือเป็นเสาหมองในจิตในใจเมเดร้อนในจิตในใจใหพี่เนะแก้ไยใจทองตัวให้ผ่เรื่องท้องใจตามเป็นจริงของมัน เน้ราบรื่องั้งันจริงจังมันไม่ยึดเรื่องของกายข้ากายอันนี้เป็นหนรหรือเป็นบ้าอาสัทของใจไม่ใช่ใจเป็นายไม่ไใช่ายเป็นใจเป็นคนละอันละอย่างจะท้าบจะคอใจอย่างนั้นเนื้อมันทราบมันคอยใจอย่างนั้นทำยึดมั่อย่าลยแต่กายยึดถิมันจะตกไปหมดไปแก่ ตายอันนี้จะยังมีอยู่ใช้สอยได้อยู่จะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปจะมาที่ไหนได้ตามฟังตามอู่จะตายเมื่อใดจะยึดเมื่อใหลงว่าตานี่เป็นเราเราเป็นตายมันจะต้องเป็นต้องเห็นในใจทังตัวชัดเจนถ้าไม่เป็นไม่เห็นอย่างนั้นมันยังยึดอยู่กว่าให้ที่ใจนามันตามเรื่องของธา ขาดดินเจสิ Man, allowed, ่งที่ขนแข็งอยู่ในเนื้อในตัวของเราเป็นขาดดินเราจะไปที่เสียขนาดไหนไปที่เสียใจในได้ผมขนเลือะซอนหนังเนื้อเอ็นกระดูกจสมันทางลงไฟมันถูลงไฟมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นดินเถาะน้องมันว่ามันเป็นเรายรนอไม่หรือเราไปยึดไปถือไปแบกไปหามมาที่เรานั้น มันเป็นเราเป็นของของเราก็ถามมันดูสิขนก็ดีเล็บก็ดีขนก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีกระดูกก็ดีมันเป็นเราไหมมันไม่มีัำง่อแต่เราจะไปยึดมันหลงมันรืดเรื่นที่แกนะหาใจมันละหายใจมันถอนห้ใจมันเห็นหายใจมันรู้มันจะถอดถอนความยึดมัน แต่เราถ้าเราไปเนี่ยมันพิจารณาไปในเนีน่ยนี้ทำนองนี้ทำละความถอนจากความยึดความถือมันจะค่อยถอดถอนออกไปคพราะใจนั้นเข้าหาอาหาัตนาธรรมมันเห็นมันเป็นในจิตในใจนอกจากนั้นก็จะทับไล่ราคะตัณหาความด่าความกำหนัดใ น, ในจิตในใจให้ตกไปอีกเหมือนกัน เพราะเราถือใช้ยึดใช้ a ละยึาใช่าหนุนว่าเสาวันที่เหือเท่านต่ต่างก็คยึดก่อนใช้อันนี้ถือ่ออันนี้เลงไหลใส่ฝันิดานับไม่วเพราะเลงเรื่องอันนี้จือชาที่เเรื่องของายเเดายะทวม หลงของกางวิจิตร้าความเฉงสาในเรื่องเหล่านี้มันจะมีมาจากที่ไหนถ้ามันเห็นในใจใจอันี้มันจะขาทั้งสี่จริงจร่าอย่าเพิ่งนึกว่าขาดทั้งสี่นันไม่ใช่ขาดบุคคลตัวตนเราขาดหน้าที่ของมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นใครจะห้ามกล้ามในได้จะมียาดีขนาดไหนแก้ไข ไม่ตกเกิดมาแล้วจะแต่ส่งแพรปวนและแสลในัญิงในวัายใวัยอดีตอนาคตหรือปัจจุบันม่เป็นอย่างนั้นนี่คือทราในจิตในใจทั้งตัวเกิดถึงมันมอทางแสงใสจะเวิีดจิขาอย่างไรเพราะความจริงมันเป็นอย่างไรเป็นจริงเป็นจริงอย่างนีจะลู้ทอะไรการปฏิบติปฏิบัติทั้งใจจะเกิดชีวิ แค่ตัดขนาอย่างไรขนาที่จะปฏิบัติอย่างไรประเทศปฏิบัติไปไม่มีการเฉวาหิ้มไหลวัดอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจที่ปฏิบัติกรจัดขับไล่ความรหลวงออกไปแก้ไขสิ่งที่จะตกใมุมสิ่งวาทับถมจิตใจให้ตกใจหมดใจใจสะอาดใจสงบ ใจเยือกเยใจเบิกบานใจรู้ใจตื่นเป็นด่างไรจะเห็นจะเช่นในสู่กับคำบ่นเช่นโดยไม่ต้องเสียงใสพุทธะจะเกิดขึ้นกับใจรู้ตื่นเบิกบานไมมีการเหยี้ยไม่มีการหลับตาหลับนี่คือคู่กับเทวปฏิบัตตามอัตธรรมของเทวเจ้า จะต for mm ้องเห็นต้องรู้ทุกยูททุกนามไป้าไหนเห็นในรู้ดังนี้จะไม่เคยคว่าผู้แตเพี้ยนะีบัดเพื่ออับเพียบทำเพียงแต่หน้าแต่ตแต่ทาบมเพนชาวนาอย่าไปคิดว่าวันนั้นก่อนเดือนนี้ก่อนไปนั้นก่อนอยู่นี่หม่เหมาะใหมามไปนั้นจงจะ แต่ทํามันเพมห้มันเห็นมันรู้อย่าไปคิดอยู่ที่ไหนทาำที่นั้นเพราะพิรุษมันเนี่ยแต่อ่างการอ่งเวลาจะอยู่ในตานในบ้านมันเกิดขึ้นได้การําลระสาสามพเรุษการทำลายทีพิลุษเราจึงต้องทําอยู่ทุกระยะทุกเวลาไม่ว่าจะนัง่งจะนอนจะยืนจะเดนนินที่นิจจนาสละมันเรวยไปเหนืออะไรมันยังไม่ได้สุ้สิ์ ยังไม่ถึงรีมูธเราจะต้องแนะสอนและตัง้งจิตจะทําบําเพ็ญอย่างนี้เนื่อจิออตที่ตั้งเข้มขิตตังไปอย่างนี้ก็มีโอกาสเวลาที่จะทำลายลังอิชฉาตัณหาอุปาทานให้ตกให้ขาดใจจากจิตจากใจถ้าำในตั้งใจอย่างนี้ก็ ม, มีโอกาสเวลาให้จะอยู่ในปา่าต้องระ ง, งับขนาดไหน จิตใจมันโสวกคิดติดข้ อ, อาไม่เหมาะอย่างนั้นในเอิงควมอย่างนี้นี่จะคิดออกนอกเดือยไปนีคือใจเสียเรื่องของกิเลสปัญหานำกิเลสตัญหามาเป็นต่าสดาของใจมันมจึงเินไปอย่างนั้นดังนั้นขอทวกท่านจงตั้งหน้าตั้งตาบาเพ็ญภาวานาตามหน้าที่ของตนตื่นโลกเถ่อไปท สมมติให้ว่าพวกเราเป็นนักปฏิบัติเกี่ยวกับจัดความเสียความเสียที่มีอยู่ในตัวให้หมดไปจบไปใจจะมีความผ่อนใสใจจะมีความสุขมีความสงบอย่าไปคิดว่ายังไม่ถึงการถึงเวลายังไม่ฟังหน้าฟัตาจะเอาจริงเอาจรงอย่าไปเลีมันไว้ วี่งวิ่งปัญหาของใจวิ่งถอดไล่น้ำไปมันเป็นทิศเป็นไปมันให้ทิศให้โค้แต่เราทุกคนสนใจและสอนใจตั้งมันในการปฏิบัติเราทุกคนจะเห็นเห็นเชื่อความสงบสงบความสุขความเจริญการในที่บารมะเห็นอยากพอสมควรเสียเวลาใด้วิตเพื่อสิ่นี้ เรื่อ